มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัติยวัควิญญาณะลักษณะปัญหาที่สิบสองถามว่า ลักษณะแห่งวิญญาณเป็นประการใดราชาสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ประเสริฐด้วยญาณปรีชาอันว่าลักษณะแห่งวิญญาณเป็นประการใดพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิญญาณเมื่อจะบังเกิดนั้นวิชานะนะลักษณงมีลักษณะว่ารู้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การต ร, รัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้แจ้งก่อนพระน้ า, าเกษนถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชดูกระบ่อพิษพระราชสมภาร เปรย์ปานประดุดบุรุษไปยืนอยู่ที่หนทางสี่แพร่งอันใหญ่บุรุษสตรีจะมาแต่ทิศเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกประการใดก็เห็นสิ้นรู้สิ้นยะถามีคารุวนาฉันใดวิญญาณ น, นี้มีอุปมัยดังนั้นจากหุจะเห็นรูปวิญญาณก็รู้โสตะจะฟังเสียงวิญญาณก็รู้คานะจะดมกลิ่น วิญญาณก็รู้ชิวหาจะชิมรสวิญญาณก็รู้กายจะถูกต้องโพธิภะสิ่งอันควรจะถูกต้องด้วยกายวิญญาณก็รู้มโนน้ำใจคิดทมอันสุขุมบัญญัติในใจวิญญาณก็รู้บพิษพึงทราบ พ, พระไทยเถิดว่าวิญญาณเมื่อบังเกิดมีลักษณะรู้สมเด็จพระยามิลินภูมินทราธิบดี ได้ทรงฟังก็มีพระไทยโสมนัสปรีดามีพระราชะองค์การตรัสว่ากัลโลสิสาทุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชานี้สมควรนักหนาในการบัดนี้วิญญาณลักษณะปัญหาเป็นคำรบสิบสองจบเท่านี้